หมายเหตุผู้บันทึกเสียงคือโจโฉเสียงธรรมหรืออริยคุณชุมรมพลดีซึ่งเป็นคนละคนกับคุณดังตรินที่เป็นเจ้าของงานเขียนและเขียนบทความที่เพื่องานจบไปนะครับคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ที่จาเป็นต้องมีก็คือความกะตันยูรู้คุณปัจจุบันมีวัยรุ่นจำนวนมากที่มองว่าพ่อแม่ทาให้เขาเกิดมาแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ต้องเลี้ยง ซึ่งนับว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิร้ายแรงเพราะความกระตันยูนั้นจะเป็นบุญใหญ่ส่งให้ชีวิตเจริญได้ง่ายไม่ว่าจะทางด้านงานความรักเพราะพลังแห่งการรู้คุนนั้นเป็นกระแสเมตตาที่สูงมีกระแสดึงดูดจึงดึงดูดให้เจอแต่คนดีๆคนที่ไม่รักพ่อแม่นั้นก็ยากที่จะได้เจอคนมารักตัวเองได้จริงสาหรับพ่อแม่ที่ไม่ดีนั้นก็เป็นการยากที่ลูกจะสมฤกบุญคุณนะครับ นับว่าเป็นกรรมเก่าที่ทรงให้ต้องมาชดใช้กรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นบททดสอบขั้นสูงที่จะพิสูจน์ว่าเราจะผ่านกรรมนั้นไปได้หรือไม่พ่อแม่บางคนนั้นก็เคยถูกลูกทำร้ายมาก่อนกลับมาอีกชาติหนึ่งก็กลับมาวนเวียนต้องมาเป็นพ่อแม่ลูกกันให้ทำร้ายกันต่อไปไม่จบสิน้นจนกว่าจะมีใครสักคนอโหสิกรรมลภาภัยให้แก่กันได้แต่ทั้งนี้ก็ตามหลักนะครับว่า ต่อให้เขาร้ายกับเราแค่ไหนก็เป็นเพราะเขาทั้งสองที่ทำให้เราเกิดมาได้มีร่างกายมนุษย์นี้ที่สามารถทำบุญและรับความสุขต่างๆได้ลองคิดนะครับว่าถ้ามีใครสักคนบริจาคอวัยวะให้เราในยามที่เราป่วยต้องการอวัยวะเราจะรู้สึกขอบคุณเข้าไปตลอดชีวิตแค่ไหน <G ül üş> เช่นเดียวกันพ่อแม่ยิ่งโดยเฉพาะคนเป็นแม่แค่การอุ้มท้องหลายเดือน ที่เราอาศัยท่านฟักตัวจนได้เกิดมาเป็นคนนั้นก็ถือว่ามีบุญคุณและเป็นการให้ยิ่งกว่าคนบริจาคอาวัยวะให้เราซะอีกนะครับที่บอกว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่นั้นให้ดูพ่อแม่อีกมากที่ทำแท้งตั้งแต่เริ่มรู้ว่าท้องพ่อแม่ส่วนใหญ่นั้นตอนมีอะไรกันแน่นอนว่าอาจจะเพราะความสุขของตัวเองแต่เมื่อลูกออกมาแล้วที่ยังเลี้ยงต่อมานั้น ก็ต้องมีความรักความผูกพันเป็นปัจจัยสาคัญแต่ทั้งนี้ก็มีการยกเว้นนะครับอย่างที่บอกแล้วว่ากรรมเก่าบังคับให้คู่เวรกันมาเกิดร่วงครอบครัวเดียวกันแล้วเราจะพ้นกรรมนั้นได้ก็ต้องด้วยอโหสิกรรมต่อกันเท่านั้นตามหลักกฎแห่งกรรมแล้วไม่มีอะไรที่เราได้มาโดยกำลังรับอยู่อันนี้หมายถึงผลทางด้านจิตใจนะครับทุกสิ่งต้องเป็นสิ่งที่เราเคยทากับคนอื่นไว้ทั้งนั้น หากจะได้พ่อแม่ไม่ดีชาติก่อนก็ต้องเคยเป็นพ่อแม่ไม่ดีมาก่อนเช่นกันสังสารวัตรเขาให้โอกาสเราเสมอนะครับเขาจะส่งบททดสอบมาทดลองใจประจำว่าจะอภัยได้ไม้มจะทนได้ไหมจะก้มหน้ารับกรรมยอมรับความผิดและยอมรับกรรมของตนที่เคยทำไว้ก่อนนั้นได้ไหมถ้าทำได้ก็ผ่านถ้าทาไม่ได้ก็ไม่ผ่านและก็จะต้องเจอปัญหาเดิมๆนั้นซ้ำซากไปอีกหลายภพหลายชาติ เรื่องกฎแห่งกรรมและการรู้บุญคุณคนนั้นคนจะเข้าใจแล้วรู้ซึ่งจากจิตได้จริงก็ต่อเมื่อมีศีลมีธรรมระดับหนึ่งเท่านั้นเป็นไปได้ยากมากสำหรับคนที่ไร้ศีลพื้นฐานคือศีลห้าเป็นเบื้องต้นนั้นจะเข้าใจและเห็นตามได้จริงเพราะศีลห้าเป็นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์และมนุษย์ขึ้นไปเท่านั้นที่จะมีความกตันยูรู้คุณเกิดขึ้นในสันดานได้จริง ก็ขอเอาใจช่วยกับคนที่กำลังเจอพ่อแม่ร้ายๆให้ผ่านบททดสอบนี้ไปได้ด้วยใจเป็นสุขนะครับทุกครั้งที่เราเจอเขากระทำอะไรก็ตามให้นึกเสมอว่าครั้งหนึ่งเราต้องเคยทำกับลูกเราไว้เช่นนี้เหมือนกันมองให้ชัดมองให้ซึง้งแล้ววันหนึ่งก็จะอภัยได้เองการอาภัยด้วยใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะตัดบ่วงกรรมนี้ได้แต่ถ้าหากต้องการกลับมาเกิดและต้องมาเจอปัญหาเช่นนี้อีกซ้าแล้วซ้าเล่า ก็ไม่จำเป็นต้องอภัยแล้วรู้คุณท่านก็ได้นะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงนะครับตัวผู้บันทึกเสียงเองตั้งแต่เด็กก็ถูกพ่อทำร้ายมาตลอดชีวิตจงเกลียดจงชังในแบบที่ใครหลายคนฟังแล้วก็คิดว่าเป็นลูกเลี้ยงสารพัดความทุกข์ตั้งแต่เด็กนะครับที่ถูกกดดันจนในที่สุดต้องหนีออกจากบ้านซึ่งก็ได้แต่สงสัยมาตลอดนะครับว่าทาไมชีวิตถึงต้องเจอแบบนี้ เพราะหาเหตุผลไม่ได้จริงๆว่าการที่เป็นลูกชายคนเล็กและเรียนค่อนข้างเก่งตีซีออกไปขายของกับแม่ตั้งแต่อนุบาลกลับมาถึงก็ต้องทำงานบ้านรดน้ำต้นไม้กวาดลานบ้านซึ่งในขณะที่พี่น้องคนอื่นไม่ต้องทำอะไรขัดใจนิดขัดใจหน่อยก็ไล่ออกจากบ้านในที่สุดก็ทนไม่ไหวก็ออกไปจริงๆและมีชีวิตที่ลาบากมากอยากรู้ไมครับว่าการจงเกลียดจงชังของเขานั้นระดับไหนก็ขนาดที่ว่า บอกรักเขาและคําตอบที่ได้ก็คือมึงไม่ต้องมาดักกูลองคิดนะครับว่าจะมีคําอะไรที่เสียดแทงหัวใจได้เท่ากับการที่พ่อแม่ตัวเองพูดคํานี้กับลูกสมัยก่อนทําสีดีธรรมะแจกเขายังไม่เชื่อเลยนะครับยังหาว่าทําซีดีเถื่อนเมื่อก่อนสมัยเด็กจนถึงวัยรุ่นก็ได้แต่ข่มใจพยายามไม่โกรธจนต่อมาได้มานับถือพุทธเรื่องเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม ก็พยายามปล่อยวางพยายามทำดีกับเขาเรื่อยมาซึ่งผมก็เป็นลูกคนเดียวที่กราบเท้าก่อนหอมพ่อแม่เป็นประจำหลังจากทําใจอภัยได้และพยายามทำดีกับเขาให้มากที่สุดจนทุกอย่างเริ่มดีขึ้นวันหนึ่งก็ฝันเห็นภาพชัดมากว่าในอดีตชาตินั้นเขาสาบแช่งผมไว้ด้วยความโกรธจัดจากนี้มิตในความฝันนั้นก็พอเห็นความจริงได้ว่าในอดีตนั้นผมเคยเป็นชู้กับเมียของเขา ซึ่งในขณะที่ฝันนั้นเกิดความสะเทือนใจรุนแรงมากและในวันที่ฝันนั่นเองผมก็จับได้ว่าแฟนของผมมีชู้เช่นกันเป็นการเอาคืนของกฎแห่งกรรมอย่างสาหัสและทุกข์หนักที่สุดครั้งหนึ่งเพราะว่าแฟนคนนั้นร่วมสุขร่วมทุกข์ลำบากมาด้วยกันซึ่งนิมิตที่เป็นภาพประทับใจก่อนที่จะได้รู้เรื่องนั้นก็ทําให้ประมวลผลได้ว่าความทุกข์ต่างๆในชีวิตตั้งแต่เด็กนั้นก็เกิดเพราะกรรมของเราเอง เราไปเป็นชู้กับเมียเขาเขาก็ทุกข์สาหัสและก็อาฆาตแค้นจนต้องมาเกิดเป็นพ่อลูกกันตัวเราเองมีแฟนกี่คนก็โดนนอกใจทั้งหมดซึ่งมันก็น่าแปลกนะครับว่าทุกครั้งที่จับได้ว่าแฟนนอกใจนั้นจะเป็นการฝันเห็นก่อนเสมอท่านว่าความฝันแบบนี้เป็นเรื่องของกมนิมิตนี่คือเรื่องจริงที่เจอมากับตัวเองนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเพิเจอคิดไปเอง แต่ทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กได้เจอสิ่งเหนือธรรมชาติมามากมายและผ่านการพิสูจน์มาหลายครั้งจนทําให้มั่นใจได้ว่าสิ่งต่างๆที่รู้และเข้าใจนั้นไม่ใช่คิดไปเองจนในที่สุดก็ต้องยอมรับจริงว่าสิ่งที่เราได้เจอนั้นเป็นสิ่งที่เราทําไว้จริงๆและก็ต้องยอมรับผลของมันจริงๆไม่อย่างนั้นก็ต้องเวียนกลับมาเจอทุกแบบเก่าซ้ำซากและเพราะความที่เจอกับตัวเองมามากนั้นก็ทําให้เกิดการกลัวผลกรรมเป็นอย่างยิ่ง อย่างในด้านความรักนะครับแม้ปัจจุบันจะโอเคแล้วซึ่งก็ทำให้เปรียบเทียบได้ว่าการมีสุขในรักกับการผิดหวงังกับความรักนั้นสุดท้ายทุกอย่างก็ไม่เที่ยงเพราะว่าต่อให้รักกันแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องตายจากกันไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็ทุกพอกันทางที่ดีที่สุดของการไม่ก่อกรรมให้ตัวเองต้องทุกข์หนักก็คือการไม่ต้องกลับมาเกิดหรือถ้ายังต้องมาเกิด ก็ต้องมีชีวิตที่ฝ่ายในธรรมปฏิบัติธรรมสนใจแต่การศึกษาธรรมเท่านั้นซึ่งทุกวันนี้ก็อธิษฐานอยู่แนวเดียวนะครับว่าหมดชาตินี้แล้วก็หวังเพียงนิพพานหรือการบรรลุธรรมเท่านั้นถ้ายังต้องเกิดอีกครั้งก็ขอครองชีวิตโสดฝักใฝ่อยู่แต่การปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือคารวะก็ตามข้อดีของการเห็นทุกขได้เจอทุกมาสารพัฒนั้นก็มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับ ที่ทําให้จิตไร้สานึกเขายอมรับจริงๆว่าสุขทางโลกนั้นมันไม่มีจริงทุกอย่างล้วนเป็นทุกจริงๆทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกเท่านั้นที่ดับไปก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ให้กับหลายท่านที่อาจจะได้เจอกับพ่อแม่ที่ไม่ดีได้เป็นแนวคิดเพิ่มเติมนะครับและสําหรับคนที่เป็นพ่อแม่ที่ทําไม่ดีกับลูกนั้นก็ให้รู้นะครับว่าวันหนึ่ง คุณจะต้องเจอแบบนั้นเช่นเดียวกัน